เนี่ยพร้อมะอะไรยังท่าไหรนั่นแหละนานๆหลวงพ่อจะได้ลงมาเยี่ยมพบกับลูกกับหลานศรัทธาญาติโยมอยู่ทางวัดก็อย่างบ้านไม่รู้เรื่องอะไร็ะมิอะไรยุ่งเหยิงขึ้นไปเรื่อยๆสมัยเป็นพระน้อยพระหนุ่มคนยังไม่รู้จักก็อยู่แบบสบายๆอีกแบบหนึง่งแต่มาเดี๋ยวนี้มีอายุพรรษาขึ้นมาแล้วก็ ดูดูแล้วก็ผู้นั้นเข้ามาคนนี้เข้ามาก็เลยภาระก็เลยหนักหนาขึ้นไปเรื่อยๆสิ่งของบางสิ่งบางอย่างนะพออายุแก่ใช้งานมาหลายปีก็ไม่มีคุณภาพไม่มีคุณภาพราคาลดแบบนั้นแต่ครูบาอาจารย์พระผู้เฒ่าเนี่ยอายุมากเท่าไหร่ยิ่งขลังแางนั้นเลยยิ่งขลัง ศรัทธาญาติโยมลูกหลานยิ่งยิ่งเข้าไปหานี่แหละมันต่างกันตรงนี้แต่หลวงพ่อกัลักษณะอย่างนั้นแหละแต่ก่อนก็อยู่แบบสบายสบายไม่มีอะไรแต่พุกวันนี้ศรัทธาญาติโยมลูกหลานก็เข้าไปหามากถ้าจะว่ายุ่งไก็เออพอสมควรเหมือนกันไม่เหมือนแต่ก่อ น, นแต่ว่าถึงยังไงก็ตามนะ หลวงพ่อมาพบมาเจอท่ะนสธัาย า, าติยมลูกหลานก็มีอยากจะกล่าวหรือบอกกล่าวอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเนอเอออันนี้ก็คือพอเห็นหน้ากันแล้วก็หลวงพ่อจะบอกแต่ไม่ใช่ว่าเราเอาสิ่งที่เป็นอัปมงคลมาพูดให้กันฟังถ้าพวกเราไม่เตือนกล่าวเตือนกันพวกเราก็บางทีมันก็หลงลืมตัว ไม่ได้คิดางนันจะสิ่งที่ควรจะคิดแต่มันไม่ได้คิดเราไปให้ความสําคัญส่วนอื่นมากกว่าแต่ถ้าว่ามีครูบาอาจารย์บอกกล่าวเอออย่าไปลืมอย่าประมาทเกินไปเนอะอย่างนี้คล้ายๆว่าเราก็ถอยกลับมาหาที่เก่าเออใช่เราเนิทหลังมากจนเกินไปแล้วจนลืมคิดว่าชีวิตของเรานั้นเป็นอย่างไร แต่ถ้าว่าเราได้ยินจากครูบาอาจารย์ว่ากล่าวตักเตือนเราก็กลับถอยหลังเข้ามาดูเออเราควรออจะทำตัวยังไงควรจะทำกายวาจาใจอย่างไรไม่ใช่ว่าเราจะมุ่งหวังที่ว่าจะอยูออ่ในโลกนี้เป็นอนันต์การจนไมออ่มีวันตายไม่ใช่อย่างนั้น น่ชีวิตของพวกเราพร้อมที่จะจากไปได้ทุกวเวลาเพราะนั้นพวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเกินไปนะอันนี้ก็คือการว่า ก, กล่าวย้ำเตือนจึงกันละกันแต่ถ้าว่าพวกเราไม่บอกกล่าวกันพวกเราก็ไม่ได้วางไม่ได้วางแผนชีวิตแต่ถ้าว่าพวกเราได้บอกกล่าวกันเราจะได้วางแผนชีวิตของพวกเรา อย่างพวกเราอยู่ในบ้านห้องแถวย า, ยาวเหยียดอย่างนีน้ถ้าเราไม่ได้คิดไว้ก่อนเราก็วางของสเปะสปะในบ้านของเราไปทั่วมั่วไปหมดแต่ถ้ามีคนบอกกลาวว่าวเออระวังนะเราอยู่ในห้องแถวยาวขนาดนี้ถ้าไฟไหม้ขึ้นมานะเราได้คิดวางแผนไว้หรือเปล่า ทางว่าเราวางแผนเอาไว้เงินเราจะาไว้ที่ไหนโฉนดที่ดินหรือของที่มีคุณค่าเราจะเอาไว้ที่ไหนแล้วเอาง่ายาแล้วก็ออกทางไหนเดี๋ยคิดไว้นะไม่ใช่ว่าใส่ประตูเหล็กกันไว้หมดเอาเล็กเชื่อมปิดไว้หมดทามันไฟมาทางด้านหน้ า, เ, าเราจะออกไปทางไหน้า ม, มาไฟด้านหลัง เราออกไปด้านไหนถ้ามันไหม้ข้างล่างเอเราจะออกทางไหนอันนี้ก็คือถ้าว่ามีผู้บอกกล่าวหรือว่าตัวเองได้วางแผนไว้แล้วถ้าว่าภัยมาถึงเราก็พร้อมที่จะหาทางออกได้พร้อมที่จะเก็บหอมรอมริบเงินคําทรัพย์สมบัติที่เราหามาด้วยนะติดตัวออกไปได้ด้วยอีกต่างหากแต่ถ้าว่าเราไม่ได้คิดอะไรไว้ก่อนไม่มีอะไรหรอก เราอยู่อย่างนี้ถ้ามีอะไรเกิดขึ้น เ, าเราก็คว้าหน้าคว้าหลังหมดแล้วเผลอๆไปแบกเอาท่อนเด็กทิ่มหาคุณค่าไม่ได้ออกไปอีกต่างหากแบกถังขยะออกไปต่างหากทั้งที่จะเอา เ, อาเงินคำทรัพสมบัติมันอยู่ที่มีคุณค่ามีประโยชน์กลับไปแบกถังขยะออกไปเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้คิดล่วงหน้าไว้ก่อนนี้ก็เหมือนกัน ชีวิตทั้งชีวิตของพวกเราเนี่ยเราเกิดมาทั้งทีได้พบพระพุทธศาสนาได้พบคุณงามความดีได้ศึกษาธรรมะปฏิบัติพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็นแนะนําสั่งสอนว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนนะแต่ไม่รู้ว่าจะจากไปวันไหนแต่ว่าตายแล้วไม่สูญนะออกจากภพนี้ชาตินี้แล้วพวกเราจะต้องไปเกิดอีกในภพหน้าชาติหน้าเพราฉะนั้น พวกเราจะตั้งอยู่ในความประมาทให้สังสมเก็บหอมรอมริบบุญกุศลเข้าสู่จิตใจของพวกเราไปไปด้วยอันนี้ก็คือการบอกกล่าวจากนั้นพวกเราก็ได้ศึกษาฟังแนวทางจากนั้นก็ได้นำมาประพฤติปฏิบัติด้วว่าดูเหมือนกับเรามาดูร้านของเรา่ดูบ้านของเราถ้าว่ามีปัญหาเกิดขึ้นเราจะเอาทรัพสมบัติตนไหน ที่มีคุณค่าในบ้านของเรานี่ออกก่อนอนี่ลหละนี่ก็เหมือนกันในเมื่อมรณะภัยเข้ามาถึงเราควรทำใจอย่างไรในขณะนั้นเราควรระลึกอะไรระลึกถึงอะไรก่อนรละลึกถึงคุณงามความดีรละลึกถึงบุญกุศลระลึกถึงที่เราได้ประกอบอที่ว่าพ่อแม่ผูบ่ายจารแนะนำสั่งสอนอย่างไร เราก็ได้นําจุดนั้นมาบริกรรมหรือมาคิดมานําทางด้านจิตใจแต่ถ้าว่าเราไม่ได้เตรียมการไว้ก่อนเราไม่ได้คิดไว้ก่อนวันนั้นมาถึงมันจะพาวะพวาบัณฑ์าวะผวางคว้าหน้าคว้าหลังไม่รู้จะร้องให้ไม่รู้จะร้องให้ไปเพื่ออะไรร้องให้หรือไม่ร้องให้ก็มีคุณค่าอย่างเก่าผลที่สุดก็เลยจิตใจทุกข์ระทม แหวกว่าคิดถึงพี่ถึงน้องถึงลูกถึงหลานถึงบงสาขน า, ยาดยักษ์เกียวว่าจะมาช่วยเราได้ก็ไม่มีใครที่จะมาช่วยเราได้เพราะเหตุใดทุกคนก็จะต้องถึงจุดจบเหมือนกันทั้งหมดไม่มีใครช่วยใครในช่วงนั้นเพราะนั้นหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าจาึงว่าอัตติอั ต, ตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนโกหินาโถปรโรสียาคนอื่นใครเลยจะเป็นที่พึ่งเราได้ ถึงจุดนั้นมันมีนะบางบางบางครั้งเราก็ต้องพึ่งพาอาศัยพี่น้องลูกหลานพ่อแม่เราก็พึ่งพาอาศัยเงินเงินคำทรัพย์สมบัติของพวกเราได้แต่ถึงจุดหนึ่งเราจะพึ่งอะไรไม่ได้ทั้งหมดอันนี้เราก็ต้องได้คิดไว้ในใจถ้าเราคิดไว้ในใจในใจของเราแล้วในเมื่อสิ่งนั้นเข้ามาถึงเราจะไม่ไม่ทุกข์ใจ พร้อมที่จะยินดีรับโดยความไม่ใช่ว่าภาค ภ, ภูมิใจไม่ใช่จะว่ารับโดยดุจณนีภาพางั้นแหละหลับตาพิ้วเลยรับเกิดมาชีวิตทั้งชีวิตทุกคนทุกหมู่ทุกเหล่าไม่ว่ามากมีดีจนอะไรก็ตามก็จะต้องมาถึงจุดนี้แน่นอนเนีนน่อันนี้ก็ขอให้พวกเราได้ยินได้ฟังแล้วก็นำมาคิด ทำไมถึงหลวงพ่อถึงพูดอย่างนี้เพราะหลวงพ่อเนี่ยสลดใจวันเหมือนการวันนี้จะต้องไปเจองานศพของหมอสุเมศเนี่ยที่หลวงพ่อพูดให้ฟังนั่นก็คือปาล็กเรื่องมรณะภัยที่หลวงพ่อจะได้ไปไประชุมก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาศรัทธา ญ, ญาติโยมของหลวงพ่อเนี่ย่ะถ้าจะว่าไปแล้วก็ปองธรรมสังเวชลักษณะนั้นนะไอ้ท่าว่าปองธรรมสังเวชสังเวชอะไร ไม่ใช่ว่าสังเวชผูตายไม่ใช่สังเวชในชีวิตของพวกเราทุกคนสังเวชในชีวิตของเราอีกต่างหากชีวิตในสงมนัยเขาบอกเป็นตัวอย่างเอเป็นตัวอย่างของเราอย่างหลวงพ่อะเอคือนะลูกศิษย์ลูกหาเข้าไปแล้วนะเออีกสักวันหนึ่งนะเราก็ไม่ไม่ไมีเราไม่มีเรื่องอะไรที่จะอเหนือกว่าใครๆทั้งหมดเราก็เหมือนกันทั้งหมดนี่แหละ สิ่งเหล่านี้คล้ายๆว่ามัมนโอบนะิโกะน้อมเข้ามาหาตัวของเราเองดังนั้นเรานะอย่าประมาทนะนี่แหละอันนี้ก็คือเป็นการบอกกล่าวหรือการย้ําเตือนแก่พวกเราคณะสัตธาญาติโยมลูกหลานทุกๆท่านออย่าประมาทให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดีให้ทำหน้าที่อะไรให้ทําหน้าที่ให้ดีที่สุดอ เมื่อเราเป็นพลเมืองกับเป็นพลเมืองที่ดีที่ดีที่สุดในมเมื่อเราเป็นพ่อเป็นแม่ก็เป็นพ่อแม่ที่ดีที่สุดของลูกในมเมื่อเราเป็นลูกเราก็ควรจะทำหน้าที่ลูกให้ดีที่สุดอย่าให้หนักอกหนักใจพ่อแม่ะอย่างหลวงพ่อกเหมือนกันเป็นพระเป็นครูบาอาจารย์เป็นหัวหน้าวัดหลวงพ่อก็พยายามทาตัวให้ดีที่สุดให้เป็นตัวอย่างของพระลูกพระหลาน ที่เขามาศึกษาและก็พร้อมกันกับแนะนำสั่งสอนพระเนนของหลวงพ่อให้ดีที่สุดคือไม่ให้ขาดตกบกพร่ อ, องในหน้าที่ของหลวงพ่อในเมื่อเราเป็นลูกศิษย์ลูกหาเขาไปศึกษากับครูบาอาจารย์เราก็พยายามทำตนให้ดีที่สุดอย่าให้พ่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์นักอกนักใจกับเรา พนั้นขอให้พวกเราลูกหลานศรัทธาญาติโยมทุกทุกท่านนะมองให้มองตัวเองฮะอยากจะให้คนอื่นดีอยากจะให้คนอื่นดีต้องทำดีให้คนอื่นดูอยากจะให้ลูกดีต้องทำดีให้ลูกดูนี่แหละอยากจะให้ลูกศิษย์ดีก็ทำให้ความดีให้ลูกศิษย์ดูสรุปแล้วก็คือให้ตัวเองเป็นตัวอย่าง ของคู่คนทั้งหลายถ้าพวกเราคิดได้อย่างนี้ทําได้อย่างนี้นะความเจริญรุ่งเรืองความสมบพร้มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในชุมชนของพวกเราอถ้าว่าพวกเรามีแต่อยากจะให้คนอื่นทําดีชี้นิ้วออกไปข้างนอกคนนั่นน่าจะดีคนแม่คุณพ่อน่าจะดีอย่างนู้นอย่างนี้แต่ตัวเองไม่ดูตัวเองอพ่อแม่ก็เหมือนกันอยากจะให้ลูกชี้ให้ลูกดีอย่างนู้นดีอย่างนี้ แต่พ่อแม่กินเหล้าจนลืมหูลืมตาไม่ขึ้นอย่างเนี้ยลูกของเขาจะดีได้อย่างไรสิ่งเหล่านีข้ขอให้พวกเราโอปนญิโกธรรมะของบุคคลธรรมโอปนญิโกให้มองตัวของเราอยู่เสมอเอเมื่อเราเป็นพ่อเป็นพ่ อ, พ อ, พ อ, พอบ้านเราขาดตกบกของอะไรเมื่อเราเป็นแม่บ้าน เ, าเป็นตัวอย่างของลูกๆขาดตกบกของอะไร นี่แหละคือให้พยายามมองตัวเองทามองตัวเองสิ่งที่มันขาดตกบกพร่องที่มันไม่ดีเร า, าเราพูดมากเกินไปหรือเปล่าต่อไปนี้เราจะหยุดพูดให้พูดให้น้อยลงถ้าเราพูดไม่รู้จักกาลเทศะหรือเปล่าเราก็พยายามพูดให้รู้จักกาลเทศะขึ้นอันนี้เป็นต้นเรื่องการพูดของเราจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนทาให้คนอื่นกระทบกระทืบไปไหม เราก็พยายามอย่าไปพูดอะไรให้จนเกินไปคือเราไม่พูดอะไรเลยจนทาให้เสียหายก็ถามอะไรก็ไม่พูดไม่บอกไม่กล่าวจนเสียหายการงานต่อไปนี่เราก็ต้องพยายามพูดให้มันเกิดประโยชน์ในสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่อาศัยของเราสิ่งเหล่านี้พวกเรานั่นะตัวของเราเป็นผู้สังเกตเป็นผู้ ทบทวนเป็นผู้ใช้การวินิจิัเคาะอในตการเป็นอยู่ของพวกเราถ้าพวกเราพยายามมองตอนเองไม่อยู่เสมอความขาดตกบกพร่องก็จะขาดเต็มตื้นขึ้ น, นเรื่อยๆเราะนั้นแต่ถ้าเราไม่มองตอนเองนะจะทำให้เสียหายการเป็นอยู่ทุกสิงทุกอย่างถึงจะเดือดร้อนอยังไงตัวเองเขามันมีแต่คนอื่นผิดหยุดวันยังค่ำมันไม่ได้นะ บางทีมันออกไปจากตัวของเราด้วยนะเราต้องมองตัวของเราแต่คนอื่นอาจจะมีผิดเหมือนกันแต่งรคของเราอาจจะขาดตุกปกพ่องเหมือนกันนแต่ทางมาพวกเรามองตัวคนอื่นว่าไม่ดีไม่ดีนยะตัวเองอาจจะขาดไปอย่างมากเหมือนกันนะวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายให้คิดไว้ก่อนว่าต่อไปภายภาคหน้า ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับตัวของเราเราจะทำปรับปรุงแก้ไขตัวของเราอย่างไรคุณงามความดีบุญกุศลของเราพร้อมหรือยังเมื่อจุดนั้นมาถึงเราควรจะทำใจอย่างไรเราจะควรจะเก็บหอมรอมริบอย่างไรเหมือนกับไฟไหม้บ้านเมื่อไฟไหม้บ้านมาเราจะเอาสมบัติชิ้นไหนที่มีคุณค่าที่สุดในบ้านของเราติดตัวของเราออกไป นี่อันนี้ให้เราวางแผนใหวางแผนการเป็นอยู่วางแผนชีวิตของพวกเราทุกๆกท่านนะตอนนี้ไปจะให้พรนอนสโมนตนาให้พรมีอาหารเข้ามาไหมมีไหมมีคนมาไห ม, ไ ม, มไม่มีหรอเอาถ้าไม่มีรับพรนะสันนินะ